จิตไม่เคยหยุดปรุงแต่งเลยแล้วเราฝึกกรรมฐานนะไม่ได้ไปฝึกเพื่อห้ามมันปรุงแต่งนะเราฝึกรู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ฝึกห้ามความปรุงแต่งธรรมชาติของขันของจิตของอะไรพวกนีอ้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสังคตนะยังปรุงอยู่แล้วก็ธรรมชาติของจิตเนี่ยมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งฉนะนันไม่ได้ไปภาวนาเพื่อให้จิตเลิกคิดไม่ให้ภาวนาเพื่อให้จิตเลิกพูด ไม่ได้ภานาให้มันหายอยากเลิกอยากไม่ได้ภ า, าวนาเความสุขไม่ได้ภานาเความดีแต่ภานาให้เห็นความจริงของธาตุของขันต์ตัวจิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงตัวจิตเป็นของเป็นทุกข์ตัวจิตเป็นของบังคับไม่ได้ถ้าจัดการเข้ามาที่จิตได้นะขันธ์อื่นๆเป็นเรื่องง่ายขันธ์อื่นๆนั้นเรายึดถือเหมือนกันนะแต่ยึดถือน้อยกว่จิตอย่างกายเนะีร่างกาย พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าบุทุชนที่ไม่ได้สะดับหมายถึงคนศาสนาอื่นนะทุชนที่ไม่ได้สะดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่ในคาสอนของท่านในธรรมวินันของท่านถึงจะสามารถเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้จิตเท่ารู้ธรรมปล่อยวางจิตได้ก็เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุด รู้จักจิตนะเห็นจิตก็เห็นธรรมเสียจิตไปก็เสียธรรมไปคนะรูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้ให้เรามาฝึกฝนตัวเองรู้ทันจิตบ่อยๆถ้ารู้ทันจิตนะสีนีก็เกิดสมาธิปัญญาก็เกิดเราอย่าไปนึกว่าการรู้รู้จิตเนี่ยไปคือการไปนั่งช่องไปนั่งเฝ้าจิต ไม่ให้คลาดสายตาอย่าไป น, นึกว่าการดูจิตการรู้จิตนีคือการบังคับไม่ให้จิตทํางานคําว่ารู้คําว่าดูคาว่าเห็นตามความเป็นจริงมันเหมือนกันหมดเลยก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราก็รู้ทันว่ามันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปมันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งมันเป็นของที่ควบคุมบังคับตามใจชอบไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่ส่วนในขั้นประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นขั้นสมถะเอาไว้พักผ่อนพอให้มีเรื่องมีแรงมีแรงแล้วเนี่ยไม่ล้างกิเลสหรอกกําลังของสมาธิถ้าไม่เดินปัญญาต่อนะสมาธิกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสเอาง่ายๆเลย ยศินสมาธิปัญญาเนี่ยมันช่วยกันทั้งหมดเลยอย่างเทวทัตไม่มีศีลเทวทัตไม่มีปัญญาเทวทัตมีสมาธิระดับไม่ธรรมดาสมาธิเอย่ยงพระเทวทัตได้อภิญญาห้าขอได้นี่มีสมาธิมากมีอภิญญาไม่ล้างกิเลสยิ่งไม่มีศีลไม่มีปัญญา ไปไม่รอดเลยสุดท้ายสมาธิก็เสื่อมงั้เราอย่าไปเอาสมาธิมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเท่านั้นบางคนไปเห็นเครื่องมือมาเป็นจุดหมายปลายทาง น, ะนี่หลงอย่างร้ายแรงเลยจุดหมายปลายทางของเราชาวพุทธนะคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงอยู่ตรงนี้และจิตใจมันจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ต้องสะอาดบริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีอวิชชาตันหาอุปทานเกิดขึ้นจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่เข้าไปยึดถืออะไรจิตพ้นทุกข์จริงๆพระเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ว่าปัญญาอยู่ลอยๆไม่เกิดออกอาศัยสีอาศัย ส, สมาธิสนับสนุนขึ้นมาสมาธิที่สนับสนุนให้เกิดปัญญาก็ามีสองอันสมาธิ ที่เรียกว่าอารมันูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำให้มีเรี่ยวมีแรงสมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจิตจะถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมถอนตัวออกมาเป็นคนดู เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมา ท, ำทำงานไปปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมานั้นจะแสดงไตรลักษณ์เขาแสดงอยู่แล้วตลอดเวลาไนะตรลักษณ์นี้แสดงอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของพวกเราไม่มีคุณภาพพอที่จะมองเห็นแค่นั้นเองมาพัฒนาจิตให้มันมีคุณภาพที่จะมองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ซึ่งมันแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว ไม่ใช่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถึงจะมีไตรลักษณ์เกิดขึ้นไม่ใช่อริยสัจก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นไตรลักษณ์ก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นนิพพานก็มีอยู่แล้วตอนหน้าต่าตาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เคยพบเคยเห็นเพราะจิตของเราไม่มีคุณภาพพอให้เรามาพัฒนาจิตใจให้มันมีคุณภาพขึ้นมาได้จิตก็ได้ธรรมนะเห็นจิตก็เห็นธรรมเสียจิตไปก็เสียธรรมไป ครูัาอาจารสอนกันมาอย่างนี้นะหลังๆเริ่มเพี้ยนไม่เอาจิตไม่เอาจิตแล้วเอาอะไรเอากิเลสเหรอนะมาฝึกตัวเองนะวิธีที่จะอบรมจิตให้เกิดปัญญาได้มีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวนั่นเองถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราลืมตัวของเราไป เรามีร่างกายเราก็ไม่รู้นะลืมมันมีจิตใจเราก็ไม่รู้ลืมมันถ้าลืมกายลืมใจเขาเรียกว่าไม่ได้เจริญปัญญาแน่นอนนะเพราะการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจก็กระทั่งกายกับใจยังไม่เห็นเลยเราจะไปเห็นไตรลักษณ์ของกายกับใจได้ยังไงมันก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่นะีงานขั้นแรกต้องรู้สึกตัวให้เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนะมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหมดนะ จิตนี้ไปคิดทั้งวันไปรู้เรื่องราวที่คิดนะตีกออกนอกไปดูไปฟังรู้เรื่องที่ดูรู้เรื่องที่ฟังนะไปดมกลิ่นไปริมรถไปรู้สัมผัสทางกายพวกนี้น้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็ห น, นีไปคิดตรงที่ใจเราหนีไปคิดสังเกตดูเราจะลืมกายลืมใจตัวเองคนในโลกมันไม่รู้สึกกายรู้สึกใจนี่พอบางคนมาภาวนาหัดรู้สึกกายรู้สึกใจนะไปเพ่งอยู่ที่กายไปเพ่งอยู่ที่ใจ กายก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งเหมือฉะนันการที่เราไปเพ่งกายเพ่งใจนะรู้กายรู้ใจได้แต่กายกับใจไม่แสดงไตรลักษณ์เฉนั้นการที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามไดนะ้ต้องไม่มีสองอย่างอันหนึ่งเผลอไปถ้าเผลอไปนะลืมกายลืมใจเลยมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีอันที่สองไปเพ่งไว้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแต่รู้สึกแบบนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู เงืนความสุดโตมีสองด้านสุดโตงอันที่หนึ่งชื่อกามสุขาริการุโยกใจมันหลงตามกิเลสมันฟุ้งซ่านไปตามกิเลสนั่นเองฟุ้งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสฟุ้งไปคิดไปนึกนะคิดนึกก็คิดนึกไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอีกเรียกว่ากามาธรรมเป็นกามทางใจเรียกกามธรรมตานที่มันหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสถะะนั้น มันตามกิเลสไปนะเป็นการสุขาริการุโยคโตที่มันเพ่งอยู่ที่กายมันเพ่งอยู่ที่ใจไม่ให้คลาดสายตาเลยกายก็จะลำบากนะใจก็ลำบากใจจะแน่นแน่นข้นใครภาวนาแล้วใจแน่ๆนๆบ้างมีไหมยกมือซิใครภาวนาแล้วใจแน่นแถ้าแน่นๆนะประกาศได้เลยว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยก ส, นะสุดตรงไปข้างบังคับสุดตรงไปข้างบังคับนะ ดีว่าสุดตรงไปข้างหลงนะสุดตรงไปข้างบังคับจะไปสุคติสุดตรงไปข้างหลงจะไปทุคติสุดตรงไปข้างบังคับเนี่ยจะลอยขึ้นสุดตรงไปข้างห ล, นะ ล, ลงจะจมลงนะครั้งหนึ่งมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาเนี่ยท่านสําคัญตนว่าเป็นพระเป็นพระอรหันต์สำคัญตนระดับนั้นนะว่าเป็นพระอรหรนะันต์ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่พราะกันแหละอะไรเงี้ยไปทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรโอคาคือห่วงน้ำก็คือกิเลสนั่นเองคือแทนที่จะถามว่าพระองค์ทำยังไงแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ต้องถามให้มันมีชั้นเชิงหน่อยพระองค์ข้ามโอคาข้ามห่วงน้ำได้อย่างไร พระพุทธเจ้าท่านก็วาจาไพเราะนะบอกดูก่อนท่านผู้นี้รัทุกข์ท่านผู้ไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีความทุกข์เพราะมองไม่เห็นจะบอกว่าท่านผู้มีกิเลสเดี๋ยวทเทวดาโกรธไม่ยอมคุยด้วยเดี๋ยวจะหนีไปสัก่อนนะเอาใจหนะ่อยดูก่อนท่านผู้นี้รทุกข์เราตถาคตข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ทเทวดาฝังแล้วงงเลยไม่พัก ไม่เพียนไม่พากหมายถึงไม่ย่อหย่อนเนี่ยเข้าใจแต่ไม่เพียนเนี่ยไม่เข้าใจไม่เพียนแล้วจะบรรลุได้ยังไงเทวดาก็ขอพระพุทธเจ้าขอพระองค์ช่วยขยายความหน่อยเถอะฟังแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นไหมไม่มีทิ่ถิมานะนะนี่เทวดาดีนะถ้าเป็นเทวดาไม่ดีนะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องทําเตะท่าว่ารู้เรื่องแล้วหนีไปเลยรู้เหมือนเหมือนกันเราไปดีกว่า นี่ไม่เอไม่มีทิฏฐิมนะันละไม่เข้าใจทูลถามเลยให้พระองค์ช่วยอธิบายหน่อยไม่พักไม่เพียรมันเป็นไงไม่พักเนี่ยเข้าใจคือไม่ย่อหย่อนนะแต่ไม่เพียรจะไปรอดได้ยังไงพระเจ้าท่านก็ขยายความดูก่อนท่านผู้นี้รัทุกข์ถ้าเราตถาคตพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรเราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียรเราข้ามโขคะได้ด้วยวิธีนี้ เทวดาได้พระโสดาบันเลยหมดความเห็นผิดแล้วนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสอนทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางการพักอยู่ก็คือการตามใจกิเลสทุกวันนี้คนในโลกมีแต่พักอยู่นะตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองจนกระทั่งปีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว10ปี20ปีนะจนกระทั่งตลอดชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย เาแต่ภักอยู่ก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจกิเลสไม่เคยคิดจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันพัฒนาขึ้นมา mm. พระเจ้าทรงบอกว่าถ้าภักอยู่เราจะจมลง mm. คนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจกิเลสก็ จ, จมลง mm. ไปทุกคติไปอบาย mm. ไม่มีทางไปนิพพานหรอกเพราะไม่เป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นถ้าการสุขาริการนีโยคนะระวังให้ดีจะไปอาบายง่ายเพ mm. ั้นปล่อยตัวตามใจกิเลสทุกวันทุกวัน ข้างหน้าไม่ใช่นิพพานออกข้างหน้าไปอบายคําว่าไม่เพียนอยู่หมายถึงอะไรคําว่าเพียนของท่านเนี่ยนะเป็นการที่มันเกินจากการรู้ตามความเป็นจริงไปมันสุดโตงไปข้างบังคับตัวเองอันนี้เป็นธรรมชาติของนักปฏิบัติทุกคนทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะมีแต่คิดว่าจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรพวกเรารู้สึกไหมมานั่งเรียนมาเข้าคอร์สนะ่ะต้องการมาถามนั่นแหละต้องการคําตอบนั่นแหละว่าจะทําอย่างไร เราคิดว่าจะทำเอาจะบังคับกายยังไงจะควบคุมกายยังไงจะควบคุมจิตยังไงจะเดินจงกรมท่าไหนถึงจะถูกจะนั่งท่าไหนถึงจะดีจะหายใจแบบไหนถึงจะดีจะควบคุมจิตใจแบบไหนถึงจะดีมุ่งเอาอะไรมุ่งเอาดีมุ่งเอาดีนะการที่คอยควบคุมตัวเองเรื่อยๆไม่ตามใจกิเลสคอยควบคุมตัวเองไว้มันเป็นการสร้างความดีนั่นเอง จะทำให้ลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปสุขติภูมิก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่ดีมาเป็นเทพมาเป็นพรหมนะแต่ไม่ไปนิพพานหรอกข้ามโอเคไม่ได้เะฉะนั้นะสิ่งที่ทําให้เราไปพระนิพพานไม่ได้นะมีสองอย่างอันนึงก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจกิเลสไปตามใจกิเลสไหมพวกเราพวกเราจะมีวิธีตามใจกิเลสที่แนบเนียนมากมายนะ เช่นว่าภาวนามาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วพักซะหน่อยถ้าภาวนาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกถูกหลวงพ่อประโมทติเตียนอยากจะนั่งสงมาธิโต้รุ่งนะนั่งไปได้นิดเดียวรุ่งของเรามันเกิดเร็วๆนะนั่งไปเดี๋ยวพระดาวต้องภาวนาในทุกทุกอิริยาบถน่ลงไปนอนแล้วยังอ้างว่าจะภาวนาทุกอิริยาบถแป๊บเดียวก็หลับแล้ว เนี่ยเราถูกกิเลสหลอกเอาอย่างง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราตามใจกิเลสอย่าไปยอมมันนะถ้าตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้เงัอนอย่าตั้งใจเวอร์อย่าให้เวอร์เกินอย่างพรานาก็ยังไม่เป็นเลยนะอย่าไปตั้งใจว่าทุกวันจะต้องนั่งสมาธิสามชั่วโมงเดินสามชั่วโมงทําได้วันเดียวแหละวันที่สองก็ลดหย่อนแลเหลือสองชั่วโมงต่อไปก็เลิกงั้นอย่าไปบังคับตัวเองรุนแรงนะ อย่าไปตามใจกิเลสรุนแรงทำให้มันอยู่ในพอดีพอดีพอดีเนี่ยนะดูง่ายๆเลยมันจะตึงนิดๆเคล็ดลับในการทำให้พอดีนะตึงไว้หน่อยๆอย่าทำให้พอดีพอดีนะถ้ากะให้พอดีพอดีจะหย่อนไปแปบ๊บเดียวจะหย่อนเลยงั้นเอาแบบลาบากลาบากนิดๆนะอย่าลาบากจนกระทั่งน้าตาร่วงทรมานมากขนาดนั้นเดี๋ยวใจฝ่อซะก่อน เงื้นแต่ละวันนะทําในรูปแบบไปฝืนใจหน่อยๆขี้เกียจทําก็จะทำํำนะตั้งใจไว้แล้วไม่ต้องตั้งใจว่าจะทําำอะไรชั่วโมงหรอกนะเอาให้รอดแค่สิบห้านาทีก็บุญนักหนานะแล้วจะทําไปเรื่อยๆต่อไปสะสมจนชํานิชํานาญนะมันจะเพิ่มเวลาขึ้นได้เองเดี๋ยวนี้พวกเราหลายคนเลยภานาได้วันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงแนละวโดที่หลวงพ่อขอมาเริ่มต้นหนาทีสิบนาทีนี่แหละถ้าหลวงพ่อขอว่าทุกวันต้องทำสามชั่วโมงนะ วันเดียวก็เลิกหมดแล้วไม่มีใครทำหรอกนะงั้นเราเราคอยสำรวจตัวเองนะอย่าให้ตกไปสู่ความสุดโต่สองด้านด้านตามใจกิเลสอย่าไปตามใจมันนะอยากดูหนังให้ดูจิตอยากฟังเพลงให้ฟังธรรมะในใจของเรานะคอยดูเข้าไปคอยรู้ทันเข้าไปเรื่อยอย่างหลวงพ่อนะร้องเพลงสมัยใหม่ไม่เป็นนะเพลงสมัยใหม่อย่างเพลงของชลินสุเทพอะไรเงี้ย ร้องไม่เป็นอนะเจอเป็นเพเลงโบราณเลยนะเออเงยเออเงอะไรเงีเ้ยที่เป็นไม่ใช่พ่อฟังนะเพราะผู้ใหญ่เขาฟังแล้วมันได้ยินมันจำได้เพลงสมัยใหม่ร้องไม่เป็นนะยิ่งเพลงของเด็กรุ่นนี้ร้องนะฟังแล้วอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะมีความรู้สึกว่าหมากัดกันมันร้องอะไรว้างงงแง่งแ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งฟังไม่ออกเลยนะงั้นวันๆนะหลวงพ่อไม่เสียเวลา นะวันวันไม่เสียเวลาเลยตั้งแต่เป็นโยมนะตื่นนอนมาก็ดูกายดูใจมันทํางานนะดูมันตั้งแต่ก่อนมันตื่นลนะเห็นจิตมันเคลื่อนขึ้นจากผวังนะเคลื่อนขึ้นมาก็เห็นนะอพอมันเคลื่อนขึ้นมามันเหมือนเปิดสวิตนะเปิดสวิตนะีนะ่มีกระทบร่างกายรู้สึกถึงร่างกายก็เคลื่อนปั๊บกระทบเท่าที่จิตนะก็จะมีรูปมีนามครบเลยนะแล้วทั้งวันนะเวลาทํางานจดจ่อกับงาน ตั้งใจทำงานเขาไม่ได้จ้างเรามาภาวนาเขาจ้างเราไปทำงานถ้าเราจะหนีการทำงานไปภาวนาเนี่ยขอรับชั้นเป็นะการขี้โกงศีลไม่บริสุทธิ์งันเขาจ้างไปทำงานเพ้าะตั้งใจทำงานให้เขานะให้คุ้มกับเงินเดือนนะทํางานแล้วเวลาที่เหลือของเราละหรืออย่างเวลาทำงานไปเกิดขี้เกียจขึ้นมารู้ทันว่าขี้เกียจทำงานแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อทางานดี นายชมดีใจใจพองเลยรู้ว่าใจพองเนี่ยเขารู้เอาอย่างเก็บอย่างนี้นะถึงเวลาไปกินข้าวกลางวันเดินไปกินข้าวรู้สึกตัวไปถึงเห็นในน้นก็น่ากินเห็นในนี่ก็น่ากินรู้ว่าตะกละแต่สมัยน้อนนะเห็นอะไรน่ากินก็กินนะไม่ถึงขนาดว่าอันนี้น่ากินไม่กินอะไรเงี้ยนี่ฝึกตัวเองอย่างนี้นะทุกวันทุกวันกระทั่งกินข้าวก็ฝึก นั่งรถก็ฝึกนั่งรถไปทํางานเห็นหมาถูกรถทับเห็นเลยนะี่ยใจสลดสังเวชรู้ว่าสลดสังเวชนั่งไปเห็นเพื่อนอยู่ข้างถนนดีใจรู้ว่าดีใจนั่งไปรถติดก็ติดมีความสุขไหมไม่มีความสุขตัวติดลาคาญหงุดหงิดกังวลกลัวไปไม่ทันรู้ทันใจไม่เคยรู้ไปเรืยฝึก กลับมาบ้านมาทำในรูปแบบนะทุกวันไหวพระสวดมนต์ไม่เคยล้าเลยเลยาจริงกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วบางวันถ้าว่างนะก็ปฏิบัติวันไหนฟุ้งมากปฏิบัติไม่ไหวก็เข้าห้องสมุดอ่านพระไตรปิฎกวันไหนจิตใจพอมีเรี่ยวมีแรงก็ไปภาวนาไปวัดสมณนัตวิหารบ้างวัดเบญจมาศบทพิษบ้างภาวนากลับมาบ้านก็มาภาวนาฝึกทุกวัน ถ้าเราทำอย่างนี้นะคือมีสติมีสติตั้งแต่ตื่นมานะคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตไปด้วยมีเวลาทําในรูปแบบเพทำนะอย่างหลวงพ่อตอนเป็นค า, ารวะทําในรูปแบบตอนเด็กๆหน่อยก็ทําตอนเช้าด้วยนะพอโตไปทํางานนะเช้าทําให้ทันนะเช้าทําตลีตารานนะนะไปทํากลางวันแต่ตอนค่า ตอนค่ำก็มีเวลาเยอะรีบกลับบ้านไม่ไปที่อื่นเลยรีบกลับมาบ้านนะมีเวลาละได้ภาวนาบางคนไปเที่ยวซะก่อนนะคาราโาเกะอะไรโหนหูจะตายมันร้องไม่มีใครเขาอยากฟังซะหน่อยก็ยังอยากร้องนี่เอาเวลาไปหมดละกลับมาบ้านก็สมสารถึงบ้านนะแทบจะเอาหัวมุดขึ้นเตียงขึ้นหมอนก็หลับนละ้วภาวนามไม่ไหวละ ให้พวกเราถนอมเวลาไว้นะเก็บเวลาไว้ให้มากที่สุดเลยมีเวลาแล้วรีบภาวนานะเก็บทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งได้เยอะมากเลยนะหลวงพ่อภาวนาในเพศคารวะในล่องงานหนักนะไม่ใช่งานเบาเนะก่อนอยู่สภาความมั่นคงแล้วงานเครียดมากเลยวันวันมีแต่เรื่องเช็คข้อมูลแล้วก็หาทางเลือกว่าจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องอีกแต่ละเรื่องจะแก้ยังไงเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเป็นคน รวบรวมข้อมูลมีคนเสนอแนะคนที่ตัดสินใจคือนายกนะเขาจะตัดสินใจยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วงานนั้นเครียดมากเลยแต่ภาวนานได้ภาวนานได้ด้วยวิธีนี้แหละนะจะทําในรูปแบบนะรักษาศีลห้าไว้ทําในรูปแบบนะเมื่อมีเวลาเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันการจเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ยาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปเขากระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขขึ้นที่จิตก็รู้เกิดความทุกข์ที่จิตก็รู้เกิดเฉยๆก็รู้เกิดกุศลขึ้นที่จิตก็รู้เกิดอกุศลที่จิตก็รู้ก็มีแค่นี้เองส่วนร่างกายนะเรารู้อันตโนมัติเลยเพราะเรามีสติเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยนะแทบจะไม่มีเดินชนอะไรเลยยกเว้นเซ่อย่างทุกวันนี้นะใจแก่ป่านนี้นะตัวไม่มีช้ำเขียวหรอก บางคนเด็กๆนะเขียวทั้งตัวเลยเดี๋ยหัวโขกโน่นเท้าเตะนี่ไปเรื่อยนันไม่มีสตินะแต่ถ้าแก่ๆนะบางทีก็คงกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะอย่างหลวงปู่วแหวนนะเขาก็เคยหกล้มเหมือนกันท่านไม่มีขาดสติหรอกภูมิจิตภูมิธรรมขนาด น, นั้นนะอย่างท่านคลองผ้าจีวรนะเท้าท่านเหยียบถูกชายจีวรนะท่านลมนะ้มอะไรอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติความชลาดภาพนะ นี่พวกเราฝึกนะฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มหนุมสาวๆาวเนี่ยมาเข้าคอร์สรุ่นนี้ยังหนุ่มยังสาวเป็นส่วนใหญ่หลวงพ่อเลยนึกว่ากำหนดอายุาดูยังไม่แก่อย่างขนาดหลวงพ่อท่าคนนึ่งนะดูยังมีเวลาภาวนานะแต่หลวงพ่อไม่อยากบอกว่าหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบมาถ้าใครภาวนาแปดขวบเนี่ยช้าก ว, ว่าหลวงพ่อแนละ้รีบภาวนานะ พอไหวไหมพวกเข้าคอร์สไม่มีอะไรมากหรอกอย่าให้จิตสุดตรงไปสองข้างตามใจกิเลสไปนะก็ บ, บังคับตัวเองจนเครียดให้รู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นนะแต่เบื้องต้นรักษาศิน5้าไว้เขาก็รู้สึกตัวไปแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปไม่เผลอลืมกายลืมใจอันนี้สุดตรงนะสุดตรงไปข้างตามใจกิเลสไม่บังคับกายบังคับใจจนเครียด อย่างนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะมาบังคับตัวเอยงอย่างเครียดแทบทุกคนอ่ะพอคิดถึงการปฏิบัตินั้นก็บังคับแนละ้วเพ่งเป็นไหมแต่ละคนเป็นทุกคนธรรมดางันะ้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะเราไม่ยากหรอกมารผลนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่มนุษย์ที่มีคุณภาพนะจะทําได้มนุษย์ไม่มีคุณภาพทําไม่ได้คุณภาพสําคัญอยู่ที่ใจเรานี่นะ ค่อยๆสะสมทุกวันบารมีมันจะเต็มบารมีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างการที่เรากล้าภาวนาทุกวันทาในรูปแบบนะอย่านึกว่าไม่สำคัญการที่เราเอาเวลาที่จะเที่ยวทะเลถลไยมานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนะี่ยมีเนข่ขมมะบารมีด้วยซ้าไปใจเราไม่หลงไปในกามแล้วนะ มันคือเนกข ม, มา่ามันคือการออกบวชน้อยๆอยู่ในบ้านเหล่านี้แหละทำทำบ้านให้กลายเป็นวัดอัตโนมัติขึ้นมาเลยก็เรานั่งสมาธิเดินจงกรมไหพวพระสวดมนต์อยู่เราไม่หมกมุ่นในกามหาแต่ความสนุกเพลิดเพลินนี่ก็คือการที่ฝึกจิตให้ออกจากกามนะเป็นเนกข ม, ม่าบารมีนะเราตั้งใจว่าทุกวันจะต้องภาวนานะบูชาพระพุทธเจ้าให้ได้ถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาให้ได้ วละครึ่งชั่วโมงแล้วเราทำได้เราได้บารมีชื่ออธิฐานบารมีนะอธิฐานบารมีไม่ใช่เจ้าประคูณขอโน่ น, น, นขอนี่นั่นไม่ใช่อธิฐา น, นไอ้นั่นชูชกบารมีนะอธิฐานบารมีหมายถึงถ้าตั้งใจจะทำความดีแล้วลำบากแค่ไหนก็ทำอย่างเราทุกวันเราตั้งใจนะเราจะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์มาละครึ่งชั่วโมงเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมเลิกนะ เราได้บารมีตัวนี้แหละการอธิฐานน้ำบารมีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะรักษาศีลไว้เราก็ได้สัจจะใช่รักษาเนี่คยค่อยๆพัฒนานะลดละความเห็นแก่ตัวไปเรืนะ่อยคนมาด่ามาว่าเราเอาไยให้เขาได้นี่เป็นฐานน้บารมีนะฐานนบารมีไม่ใช่แค่ควักกระเป๋าจ่ายสตังทนะานน้บารมีมีกระทั่ง ถูกทำร้ายอะไรก็ยังยกโทษให้เขาได้นะมีอภัยทานนะเห็นไหมเนี่ยเป็นการฝึกฝึกกับทาธินี่ต้องข่มใจไหมต้องสู้กับกิเลสของเราไหมต้องสู้นะอย่างคนไหนมันทําร้ายเรามากๆแล้วเราจะต้องอภัยให้มันให้ได้เนี่ยจนใจยอมอภัยเนี่ยเป็นความเข้มแข็งอย่างยิ่งเลยเข้มแข็งกว่าไปทําร้ายตอบกันซะอีกเนี่ยเรามาต้องมาฝึกตัวเองนะทุกวันพยายามฝึกตัวเองไปเรื่อย สิ่งเหล่านี้นะตอนในขั้นที่จะบรรลุพระโสดายังไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่หรอกนะแค่มีศีล น, นะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานเนี่ยฝึกอย่างนี้นะก็ได้แล้วโสดาสกทาขานะถ้าจะฝึกให้ได้อนาคาก็ต้องเข้มงวดในเรื่องเนคฆัมมะบา ร, รมีเพิ่มขึ้นไม่ตามใจกิเลสนะต้องฝึกตัวเองที่จะไม่ตามใจกิเลสกิเลส ก, กามทั้งหลายอยากกินอย่าเพิ่งกินนะ อยากนอนอย่าเพิ่งนอนฝึกตัวเองก่อนอดทนฝึกไปให้เห็นทุกเห็นโทษเลยเช่นกิเลสกามเกิดขึ้นที่ใดมีแต่ทุกทุกทีเลยฝึ ก, ก, ก, ก, ก, กถ้ายังไม่เห็นโทษของกามละกามยากดนัในเพศฆราวาสเนี่ยถ้าฝึกง่ายๆอย่างพวกเรานะโสดาสกทาคาพอเป็นไปได้อนาคายากแล้วถ้าฝึกให้จบเนี่ยบา ร, รมีต้องเต็มเพราะนาทีที่จะตัดสินทําลายวัตจกักรเนี่ย วารมีไม่เต็มในถอยทันทีเลยวารมีไม่เต็มถอยเลยมันทนไม่ไหวนิพพานอยู่ฟากตายครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะนิพพานอยู่ฟากตายรอดตายมาได้ก็ได้นิพพานในขั้นที่จะข้ามภพข้ามชาตินะน่ากลัวดูเดือดมากเลยน่ากลัวที่จะถอยอะ <laughs> ไม่ใช่น่ากลัวที่จะสู้นะมันมีความรู้สึกว่า นั่งต่อไปตายแน่นอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าถูกมาระจญนะ่ะมารบอกให้ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยนะแล้วจะได้สมบัติของจักรพัชชดเฉยอย่านั่งต่อไปนั่งแล้วเอาตายเลยนะมารจะฆ่าทิ้งเลยในภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆกิเลสมารขันธามารพิสังขารมานนะจิตใจของเราเองแหละคือเทวปุตตมาร น, นะมันจะลุมเล่นงานมันจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะ ทุกจริงแบบถ้าเองนั่งต่อไปตายแน่นอนเลยอันนั้นถ้าบารมีไม่เต็มจะถอยเลยถ้าเคยทําทานบารมีในขั้นอุกฤษนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้อย่างทานบารมีก็มีสามระดับนะมีทานนับบารมีธรรมดานะอุปบารมีก็สูงขึ้นมาหน่อยปารมัจตบารมีอย่างยิ่งทานบารมีเบื้องต้นเนี่ยเช่นบริจาคเงินบริจาคสิ่งของอะไรนี่ทานบารมีเบื้องต้น ฐานะบารมีเบื้องกลางอย่างบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะอันนี้อย่างกลางนะอย่างสูงเนี่ยสละชีวิตเพื่อธรรมะได้เลย<ส>ถ้าใจมันเคยกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อธรรมะนะถึงหน้าทีนั้นตายก็ตายไม่กลัวล้เคยมีอธิฐานะบารมีถึงขั้นปรมัาบารมีนะหมายถึงตั้งใจแล้วตายก็ยอมเพื่อธรรมะ ใช่มมันะมาลงที่ตายหมดเลยบารมีนะแก่รอบขึ้นมามันลงที่ตายนะถึงตายก็ไม่เสียสัจจะถึงตายก็ยังมีอะไรจะเจริญปัญญาไม่ยอมมีเมตตามีอะไรนะไม่ได้โกรธมาร น, นะไม่ได้โกรธขันเลยนะขันนั่นแลมารตัวสำคัญเลยคือตัวบารมีเนี่ยต้องสร้างให้เต็มเหนียวนะไม่งันนาทีสุดท้ายถอยเลย จะลุกไม่กล้าภาวนาต่อไปแล้วแต่ในขั้นต้นๆ น, น, นี่นะพอสู้ได้ยังพอสู้ได้แค่รักษาศีลห้านะทุกวันทําในรูปแบบ10บนาทีสิบห้นาทีอะไรก็ทําเถอะทำทุกวันนะเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดการจเจริญสติในชีวิตประจําวันก็คือมีจิตที่เป็นคนดูไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้นะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู แล้วก็ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วปล่อยให้จิตเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่บังคับไม่ใช่ว่าห้ามกโกรธไม่ได้ห้ามฟุง้งซ่านไม่มีคำว่าห้ามไม่มีคำว่าต้องต้องดีต้องสงบไม่มนะีให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตลบโกรธหลงก็รู้ จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้รู้ไปเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าวันใดใจเรายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่เป็นอมตะถาวรเป็นตัวตนถาวรไม่มีเลยเพียงแต่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นแหละภูมิธรรมของพระโสดาบันเห็นไหมไม่ยากเห็นไหม มันอยู่ที่พาจิตไปดูของจริงให้มากพอเท่านั้นเองถ้าดูนิดๆหน่อยๆดูไม่พอนะ้ดูให้เยอะๆเลยดูถี่ๆดูมากๆท่านถึงบอกให้ดูเนืองๆให้รู้เนืองๆถ้าดูเนืองๆก็ดูมากที่สุดที่จะมากได้นะดูกายทํางานดูใจทํางานดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ใช่เผลอไปไม่ได้เพ่งไว้ถ้าอย่างนี้นะเจวันเจเดือน7ปีโสดาอะไรนี่คงไม่เกินความสามารถหรอก บารมีพวกเราไม่แก่กล้าเหมือนคนที่ไปพบพระพุทธเจ้าหรอกคนที่พบพระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าไหมทุกคนไหมเทวทันบารมีแก่กล้านะแต่ว่าขี้ฉาคนจํานวนมากบารมีไม่มีไม่แก่กล้าพระพุทธเจ้าไม่บรรลุมรรคผลบางคนบารมีแก่กล้าพบพระพุทธเจ้าแล้วไม่บรรลุมรรคผลก็มนะีอย่างอาชิตะลูกของ อาชาติศัตรูคือท่านจะเป็นพระเสีรยระยะไม่ไกลบารมีแก่กล้านะพราอพระพุทธเจ้านะออกบวชนะแจะไม่บรรลุมรรคผลงั้นเราเวลาตอบอะไรตอบให้รอบครอบนะถามว่าพระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าไหมไม่แน่บางคนพบแล้วถูกธรณีสูบมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไปทานข้าวไป